อาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของเดือนเมษายนการจเจรินกันรมฐานเขาบัรดาท่านบริษัทก่อนอื่นก็ขอชมความดีของบรนดาท่านทั้งหลายเฉพาะวันนี้คนที่ฝึกโมโนทิธิไปทิพานได้ร้อสี่สิบคนนี่เรียกหวยเพืนกลุ่มนนนะจีนยังมดานะ นิพพานได้ร้อสีิบีคนนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคําว่านิพพานนี่บรรดาท่านพระเจ้ิษัทจะเป็ น, นึกว่าเป็นของง่ายๆถ้าบรารมีไม่ถึงบาร ม, รามิตบารมีแม้แต่เงานิพพานเราก็ไม่ไม่มีโอกาสได้เห็นท่านนิพพานพบว่าบรารมีของที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีสามชั้นคือที่พระพุทธเจ้าจับจะไม่ใช่จับเองเป็นเรื่องของคนที่มีความดี บารมีต้นทัดเด็กเรียบบารมีเฉยๆบารมีขั้นกลางทัดเกฝะบารมีบารมีสูงสุดเรียบบรมัตบารมีสำหรับคนนี่มีบารมีขั้นต้นเอากันขั้นเต็มนะบารมีขั้นต้นเต็มนี่ถ้าจะเก่งก็าจะพระทานกับศีลถ้าจะชวนเยือญภาวนานเขาจะบอกไม่ไหวทําไม่ได้กำลัาางใจไม่พอ บารมีท่านแปลว่าเต็มพระพุทธเจ้าแปลว่ากําลังใจเต็มคือเขาเต็มแค่นั้นถ้าอุปปาบารมีกําลังใจระบุคลใดเท่าถึงอุปาบารมีถ้าเจริญฌานสมาบัติคณินี้ทได้แน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฉพาะฌานโลกีเขาจะเที่ยวได้แต่แต่มนุษย์ยันพรมอันนี้ไปได้แน่เพราะว่าอาจาวนบอกว่าไปที่พายก็เถอะเขาจะบอกไม่ไหวนี นี่ตางขั้นนี่ต่อมาหาว่าสําหรับท่านที่มีบารมีเป็นบรมัตรบารมีอันดับแรกใครจะรู้ตัวว่าใครมีบารมิตรมัตรบารมีกันรู้ไม่ได้แม้เมื่อเคยได้ินได้ฟังคำกระพูด่องนิพพานฟังเข้าฟังเข้านานๆเข้ า, ขามีความพอใจว่าระวังใจตั้งใจเป็นนิพพานคนนี้เป็นบรมัตรบารมี การฝึกกรรมฐานก็เหมือนกันการฝึกกรรมฐานานี่จะให้ไปถึงนิพพานไปถึงรหมไปเทวดาไปถึสวรรค์ไปถึกนี่ก็ไม่แน่นอนนักทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่หมวดของกรรมฐานการรมฐานจริงๆหลักใหญ่มีสี่สกองจะเรียกว่าต้นไม้จะมีสี่สต้นกิ่งมีกี่กิ่งก้านมีกี่ก้านใบมีกี่ใบนี่เป็นลีลาการสอนการแนะนํา ในกรรมฐาน40กองนี้จะมีทั้งหมดทั้งสุขวิสโกตีวิชโชชราปิโยปริสัมปิปตัตโตแต่กรรมฐานหมวดวิเศษมีหมวดห่งคือมาหาติปถานสูตรอันนี้พระพุทธเจ้าสอนเฉพาะสุขวิสโกอย่างเดียวฉะนั้นการเจรินกรรมฐานเพื่อต้องการเห็นสวรรค์เห็นนรกก็ต้องใช้หลักสูตรที่สองคือเตวิชโชคือวิชาสาม เราสวดเรื่องต้นคือสุขาปโกอันนี้ทำชันได้ไปมีสมาธิได้มีฌานสมาบัติได้เป็นพระอริเจ้าได้ไปนิพานได้แต่ไม่มีความเป็นทิพย์ของจิตเขาไม่เคยเห็นเทวดาไม่เคยในโลกในนรกสวรรค์แต่เป็นไปเป็นอาหารหันต์ได้ถ้าเตวิโชก็จะต้องได้สองอย่างสองอย่างในขณะที่เจริญฌานโลกีพื้ืหนึ่งทิพย์จากกุญาน เห็นสวรรค์ก็ได้เห็นนรกก็ได้ไดเหือได้เหเทวดาเห็นผมได้นั่งอยู่ตรงนี้ตามวดีทวะอย่างนี้นะนั่งอยู่ตรงนี้สามารถคุยกับเทวดาคุยกับสัตว์รกได้คุยกับผมได้แต่ไปไม่ได้แต่หมวดที่สามนว่วชชะพิงโยคือวิญญาที่ ม, มนโนวิจิมีเป็นหมวดที่สเป็นหมวดข้อพิญยาเห็นแล้วสามารถไปสู่ที่นั่นได้ สำหรั บ, บหมวดที่สี่เรียไปสัมพิธายานหมวดนี้มีความฉลาดมากคือรอบรู้ทุกอย่างอย่าลืมนะสู่พระเจ้าไม่ได้นะแต่ว่าไปสัมพิธายานนั้นต้องแบ่งเป็นชั้นไปสัมพิธายานปกของปกป ก, ปกติสาวกในชั้นหนึ่งมีความฉลาดยิ่งกว่าสาวกธรรมดาแต่ก็ยังสู้มหาสาวกไม่ได้มหาสาวกจะมีความฉลาดกว่า มหาสาวกก็ยังสู้อักษาวกเบื้องซ้ายไม่ได้ด้วยความเจลาศตายทีเหตุนเหมือนกันอักสาวกเบื้องซ้ายมีความชั่งกว่าอักษรวกเบื้องซ้ายก็ฉลาสู้อักษาวกเบื้องขวาไม่ได้อักสาวกเบื้องขวาก็ฉลาดสู้พระเจ้าไม่ได้เพเป็นสัพพนิยูจ บ, จบจบแล้วเลิกกันท <c oughs> ี่ฉันพูดเรื่องอะไรฉันจำไม่ได้เผลอมาคนแก่ จะแนะนํนากรรมฐานกันก็แนะนําก็ให้รู้วันนี้ขอจริงไม่ตั้งใจพูดเรื่องนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องอื่นต้องพูดเร่องนี้เราท่านเลพูดกับพูดไป<ม>ก็ไปแล้ว่าการเจริยกรรมฐ า, านเข้มดาเป็นพมบริษัทวันนี้มีหลายคนมีความเรียกว่าไปถึงเขตกนิพานแล้วก็วันก่อนๆ ก, ก็มีกันมากทุกคนที่นั่งเนี่ยใครเห็นนิพานมาเรียงกันไปจากนะ ที่ไม่เคยเห็นก็ยัทราบว่านิพานไม่ใช่มีสภาพศูนย์มีสถานที่อยู่ทะเลวิถีพิเศษเป็นทิพย์เหมือนกันอย่างเทวดานางฟ้าก็เรียกว่ากลายเป็นทิพย์พระพรหมก็มีกลายเป็นทิพย์นิพานก็มีกลายเป็นทิพย์นิพานทะเลวิสุทธิเทพเทวดาพวกมีความบริสุทธิ์ฟความหมดจดใจ ก, กิเลส ท, ทั้งหมด กิเลส ท, ทุกอย่างไม่มีเทวดานางฟ้านี่ยังมีกิเลสพระพรหมก็ยังมีกิเลสกิเลสยังไม่หมดสําหรับพระรหันทินิพานแลกกิเลสหมดเมื่อไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไปไหนอีกอยู่นิพานที่เดียวนะถ้าจะถามว่ามีหลักฐานตอนไหนที่พระเจ้าทรงตรัสว่าพระนิพานมีที่อยู่ก็ต้องตอบว่าตามพระไตรปิฎกมีอยู่ พี่พรามถามพระเจ้าจว่าพระสมณโคดมพระนิพพานมีสภาพศูนย์ใช่ไหมเออควันไฟที่ลอยไปในอากาศไม่มีที่เกาะ ท, ที่จับพระเจ้าจบอกไม่ใช่เขาก็ถามว่าอย่ายงา น, นั้นนิพพานเป็นที่เกิดจอิงไหมพระเจ้าจบอกไม่ใช่ถ้าถามว่าทำไมจะไม่ใช่แต่บอกว่าถ้าเกิดก็เรามีคมาตายเจ้าของในโลกเป็นของคู่กัน แต่ว่านิาพานมีสภาวะเป็นที่อยู่แต่ไม่ตายที่เรียกว่าวิสุทิเทพเห็นไหมราพรงคาว่านิาพานนี่เป็นแดนไม่ไกลแล้วนิพานที่เรียกว่าเป็นแดนไม่ไกลเพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่คนที่ขโมยของอยู่ก็สามารถเข้าเขตนิพานได้แล้วจะกลับไปกลายเป็นขโมยไม่ได้นะพูดมากไปส ท, ท, ที่เราตำคานเพาะมันร้อน เล่านิทานสู่กันฟังะจะเล่าในทานเรื่องขโมยเป็นนิพพานในฟังจะอาจจะไปถึงนี่ยังกบไม่สาดแต่เป็นปโสดาบันขโ <c oughs> สดาบดันแทนแปลผู้เข้าถึงกระแสพนิพพา น, นคนที่เข้าถึงกระแสรพระนิพพานแล้วบาปเกา่าๆทั้งหมดไม่มีโอกาสให้ผลคือไม่มีโอกาสจะเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปนนรต เ, เป็นสุรกายเป็นสนัตย์ชั้นอีกบาปทั้งหมดไม่มีโอกาส มีทางเดียวเดินขึ้นสู่เขา้าเข้าเขตรนิพพานไปเลยนะตัวอย่างคื อ, อมวยสดๆนี่เขามวยสดไม่ใช่เขามวยแห้งเขามวยทุกวันคือท่านครูจุติราที่อาตมาเรียกว่าท่านคูจุติรานี่็หมายความว่าท่านเป็นพระ อ, อริยเจ้าก่อนที่ท่านจะถูกไฟไหม้ท่านเป็นพระอนาคามิหรสีทาคารามีก็ไม่ทราบแต่ตอนต้นเป็นพระโสดา บ, บัน อย่างไงๆท่านเป็นพระอริยเจ้าแล้วและท่านคงไม่โง่อยากมาเกิดใหม่ท่านคุตจตรานี่เป็นหญิงรับใช้ของพระนางสามาวดีและก็เป็นหญิงหลังค่อมและเรื่องนี้มันจะไม่จบนะเวลา20ปีนจะไม่พอนีไม่พอก็จบกันแค่แค่แค่หมดเวลานะเป็นน้ว่าท่านเป็นหญิงหลังค่อม ว่าเจ้าเทนเป็นพระสวามีเขาเป็นนางสามาบดีก็จะทานทรัพย์ให้ซื้อดอกไม้วันละแปดตำลึงหนึ่งตํำลึงเท่ากับสบาทถ้าทุกคนนั่นอย่า จ, จะลืมนะเขาได้นะเดี๋ยวนี้ก็าใช้กิโลนะวันละแปดตำลึงในนิการที่จะใช้คนอื่นไปซื้อดอกไม้นอกบังก็ไม่เหมาะคุณสุตราที่เป็นหญิงหลังคอมคงไม่เป็นที่สนใจของใครเรใช้บุณสตราไปซื้อทุกวัน พุทธุตระนี่เป็นคนดีมากคือเขาให้ไปแปดตำรึงเธอก็ซื้อมาสี่ตำลึงคิดค่าเดินทางไปสองตำรึงเดินทางกับอีกสองตำลึงว่ากันไม่ได้นะเขาไม่ได้จ้างแต่เธอคิดเองนะล่อเ้อแบบนี้ทุกวันเอากันทุกวันเลยไม่ใช่เว้นก็เป็นว่ามาวันสุดท้ายนี่จะลืมกันขโมยเป็นปกติเลยในไปจิตกรรมมับาปหนักนะ บาปไปเบาล่ะในสามวาิปปายจินจรกรรมนี้แม้แต่บาปเล็กน้อยอย่างไม่โครในฆ่าสัตว์ฆ่าปลากินทุกวันในทุกถือเป็นจินกรรมรอเวจีได้มีสิทธิ์รอเวจีใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้การขโมยทุกวันล่ะก็มีสิทธิ์รงเวจีเหมือนกันแต่ก็เป็นการเมือเอิญวันสุดท้ายในมาราการนี้มนุ์พระพุทธเจ้า พ, พร้อมได้อารารทั้งหมด ก็วถวายพระตาหารในตอนเช้าพอท่านคูจุติราไปไปซื้อดอกไม้ท่าบอกในมราการบอกว่าดอกไม้เนี่ยเตรียมไปแล้วไม่ต้องห่วงแต่ว่าวันนี้เราจะเลี้ยงพระพุทธเจา้าถวายทานพระเจา้ามีพระมีพระหานทั้งหมดมีพระเจ้าเป็นประธานเธอจึงอยู่ถวายพระตาหารช่วยกันช่วยกันก่อนครูจุติราคูจุติราก็ยอมรับในเมื่อพระพุทธเจา้าฉันเสร็จก็ส่งเทศ ตามบาลีไม่ได้บอกว่าเทศเรื่องอะไรฉันก็เดาเองในตอนนี้บอกเราว่าขอเดานะถ้าเทศจบเมื่อเทศจบแล้วทันมาในมรรคการก็เป็นพระโสดาบันโคจุตราก็เป็นพระโสดาบันะดะงนั้นการเทศของพระเจ้าในวันนั้นก็ต้องเทศเรื่องของพระโสดาบันข้ออันดับแรกคือหนึ่งให้ทุกคนนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราต้องตายแน่นอนกระบวนการในสองก่อนที่เราจะตาย <damn> เราจะตายครั้นี้เราจะไม่ยอมไปอบายภูมิ <Okay. S 2> จะยอมรับรับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นพิ่งจะยอมรับรับถือด้วยความเป็นจริงด้วความจริงใจและกระบวนการในสามลั ก, ลกอ่อลกละความชั่วหอย่างคือหนึ่งฆ่าสัตว์สองรักทรัพย์ ถามว่าพุทธจิตใกาลสีมัสาวาตห้าดียวตึงสราเรมีอะไรอะนี่เข้าใจว่ัฏะเทศแบบนี้นะไม่บารีไม่ได้บอกใช่ไหมบารีไม่ได้บอกฉันก็บอกฉันเองก็ได้หรือใครไม่เชื่อว่าฉันพูดตรงให้ถามวัตถุรูปหรือถามพระเจา้าโดยตรงก็ได้ถ้าถามพระเจ้าไม่ได้ถามพุทธรูปพุทธรูปไม่ตอบไม่ไปเสดฉันพูดถูกลองถามด้วยสนั่งเล นั่งหลายองค์ใช่ไก็เป็นว่าเนี่ยพระนางคุตุราฟังเทศจบ ก, ก็เป็นประสวดาบันพราว่าเป็นประโสดาบันในวันนั้นก็ขโมยของไม่ได้ดิเพราะส่งสินค้าบริสุทธิ์ก็ต้องซื้อดอกไม้มาถึงแปดตำลึงพอมาถึงาาาพระนาวสามมาวดีพระนาวสามเมาวดีก็ถามว่าวันนี้พระราชาสมระะุราชย์ไทยเงินซื้อดอกไม้เพิ่มอย่างไรมันได้มากนัด พระโสดาบันโกหกไปได้ไม่มีใครบังคับในการรักษาจริงๆนะใ <c oughs> ครก็ๆๆเลยบอกตามความจริงว่าตามความจริงพระโสดพระราชาพระราชทานทรัพย์วันลแปดตำลึงแต่ว่าหม่อมฉันชักเอาไว้ทั้งสี่ตำลึงซื้อมาแค่วันละสี่ตำเรงพระนาสาวเมาดีบอกว่าเอาวันนี้ทําไมไม่ชักเอาไว้ล่ะจริงๆเอาไว้ก็ได้ใช่ไหมว่าอะไรรักแค่สี่ตำลึงก็พอเธอก็บอกไม่ได้วันนี้ฟังเพศ พระเจ้าเทพประวนบาศบาศที่ไปว่าชั่วตายแล้วตกนรกก็ไม่ก็ไม่สามารถต่อไปนี้ขโมยไม่ได้แล้วเลยต้องซื้อวันละแปดตำลึงพนังสามาดีก็ถามว่าพระเจ้าเทศเปยังไงบ้างขอฟังเทศพนางขุจาราก็บอกว่าการฟังเทศหนึ่งต้องมีอาัสานะที่นั่งสูงกว่าสองอาบน้ําให้เรียบร้อยแต่งตัวให้ดี นางสาวมาวดีก็สั่งให้นำน้ำสิบหกหม้อน้ำหอมนะมาอาบให้เครื่องแต่งตัวใหม่จากอาสนะก็้ากหญิงห้าร้อยคนนายกุจรายขึ้นธรรมะแล้วก็เทศเทศในลีลาแนวพระพุทธเจ้าตรงเทศคล้ายคือพระพุทธเจ้ามากใช่ไ้มพอทุกคนทั้งห้าร้อยคนฟังเทศจบทุกคนเป็นประโสดาปันหมดโอ้โหดีขอฉันเทศอย่างเยอะ แต่ความจริงวนาังกุศลธาตุไม่ได้อะไรนะนี่ฉันเทศได้ตังแล้วเนี่ย <c oughs> ท่านเป็นปัโสดาบันหมดในเมื่อท่านเป็นปัโสดาบันทั้งหมดที่บรรดาแต่พุทธบริษัทเป็นว่าบาปเก่าทั้งหมดไม่สามารถเลยมีโอกาสจะให้ผลตอนนี้ก็มาวันนี้จะคุยเรื่องกรรมฐานนะเดี๋ยวมื่อวันเบิกไปพูดกรรมฐานเนี่ยเร่กรรมฐานนะเนีย่ย ร, นนะรู้ว่าปัโสดาบันนสําคัญนะ ท่านภาวนาว่าพุโทโธบางสมาราหังบังนามาปัทมอิติสุขโตบางถ้าภาวนาไปเฉยๆอย่างนี้จิตสามารถเป็นฌานได้แต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะหนีอวัยภุมได้ถึงไม่จะได้ฌานสมาบัต 1, 2, 3, 4, หิหนึ่งสองสามสี่ปก็ตามหรือจะได้พิญญาโลกีก็ตามไม่สามารถหนีอบายวูยมได้แต่ว่าถ้าไม่เป็นประสดาบัน ทุกคนจะต้องเป็นประโสวดาบันให้ได้ถ้าเราเป็นไม่ได้ก็ปฏิบัติตามแบบฉบับของประโสวดาบันว่าปฏิบัติตามท่านมันเผลอบ้างไม่เผลอบ้า ง, งทําได้บ้างหรือนไปบ้างถือไปของธรรมดาท่านเอ่การที่เราทําจิตจนชินแล้ได้แหความดีจิตชิดได้พอดีมี อ, อะไรขึ้นหนึ่งคิดว่าชีวิตนี้ต้องตาย ชีวิตก็เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงสักวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตายแน่ความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายเราอาจจะตายเมื่อไรก็ได้สังเกตดูให้ดีเราจะนึกว่าทุกคนจะต้องแก่แล้วจึงตายบางคนแก่แล้วแล้ว่าเรายังแก่ไม่คอยจะไม่ตายใช่ไหมอย่างฉันเนี่ยฉันยังไม่นึกว่าฉันจะตายนนเนี่ยถ้านึกว่าตายเวลานี้พูดออื่นไม่ได้พูดตรองตายอย่างเดียว ใช่ไหมสุปความจริงมันต้องตายให้คิดไว้ว่าวันนี้เราจะตายก็ได้อยาา่างเมื่อคืนวานเนี่ยใครจะรู้ว่าใครจะตายใช่ไหมอยู่ๆดีๆก็มีรางวันปุ <c> ๊บ <oughs> <c oughs> ใช่ไม <c oughs> เนี่ยจ่ายสรีเมื่อชีวิตไปของไม่เที่ยงความตายไปของที่เราคิดไว ก่อนที่เราจะตายอย่างน้อยที่สุดระดยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาคือว่าต้องใช้ปัญญาพิจารณานะว่าท่านดียังไงพระพเจ้าที่ว่าดีก็มีว่าเป็นที่เศษกิจคืนหนึ่งแนวการสอนพระพเจ้าให้แนะนำบรรดาพระสงฆัมไหลายที่พระมารวมพร้อมกันเป็นพระรททั้งหมด 2,500 องค์ไม่ใช่เลขหวยนะ เอ๊ทุกท่านไม่ร้จะเอะไรแล้วเมื่อกี้144ที่ 2,500 ไอแล้วก็เป็นว่าท่านบอกท่านแนะนาว่าตอบไม่ไปให้สอนแบบนี้ให้เหมือนกันหนึ่งสัพพาปาประสะกิรนังจงแนะนําให้ทุกคนไม่ทําความชั่วทั้งหมดสองกฎโทสุโทกุโทสุโทธรรมธาแนะนําไม่ทํำในความดี สามสัจจตประโดช์วัโยตัปนังท่านจิตใจแตจิตใ จ, จ, จบังสายจากกิเลสได้ลงท้ายว่าเอตังพุทธานาสาสนังพระพุทาทุกองค์ตัดอย่างนี้เหมือนกันหมดก็องความว่าพระเจ้าดังสอนคนในละความชั่วพฤติความดีท่านจิตใจบังสายจากกินเลสนี่ก็ถือว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าดีๆๆจริงๆดังคนยอมรับแะัะคีท่านถ้าคําสอนอันนี้เป็นพระธรรมเราก็ยอมรับ ถ้าบรรดาพระสงฆ์น้อยหลายที่ปฏิบัติที่เป็นพระอริยเจ้าคือมันได้เพราะปฏิบัติตามนี้ จ, งจึงเป็นพระสงฆ์ได้ใช่ไหมก็รองความว่าพระพุทธเจ้า ก, ก็ดี พ, ดพออระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีแล้วควรยอมรับรับถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเอาก็น้อยไม่ต้องมากเอาแค่นับถือพระพุทธเจ้าองค์เดียวก็เยอะแยะไปแล้วถ้อจะยอมรับรับถือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะก็ได้เอาให้เป็นพระก็แล้วกัน ให้เป็นพระคือถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าถ้านึกถึงพระสงฆ์เป็นธรรมาเป็นสังฆานุสติใช้ได้เหมือนกันไม่โลภะรก็ว่านึกถึงพระธรรมคำสอนอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราชอบเป็นธรรมานุสติก็ใช้ได้เอากันอย่างเดียวหรืว่าเอากันอย่างชนิดหรืว่าคนขี้เกียจแต่ได้ดีใช่ไหมถ้าจะถามว่าท่านึกแล้วก็ยังทําบาปอยู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เรายังไม่ถึงมรโสดาบันเพียงใดเรายังต้องทําบาปอยู่บ้างเป็นขอธรรมาดาแต่ว่าถ้าเรานึกถึงความตายนึกถึงพระเนี่ยลดความบาปมันลดลงไปทําน้อยลงใช่ไหมจ่ามันเผลอบ้างอะไรบ้างก็งเธรรมาดากรองความว่าการนึกถึงพระพุทธเจ้าองค์เดียวโดยเฉพาะอ ย, าอย่างที่บรรดาแต่พุทธบริษัทเจริญกรรมฐานอันนี้ได้กําไรมากอย่างภาวนาว่าพุโทโธ บ, บ้างสัมมารหังบ้างอิติสุขโต บ, บ้าง อะไรก็ตามนล้นวนามวะทาบ้างก็จ่างเถอทุกอย่างการภาวนาทุกอย่างก่อนที่เราจะภาวนาเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนทุกอย่างต้องถือว่าเป็นพุทธานุสติตอนบังเ อ, อิญเรามีครูผู้สอนเป็นพระสงฆ์เราก็นึกถึงพระสงฆ์องค์นั้นด้วยก็เป็นเร็นสังขานุสติคำภาวนาเป็นธรรมานุสติพระพุทธศาสสามอย่างใช่ไหม ปณการปฏิบัติกรรมฐานทําไมพระเจ้าจึงแนะนําให้ทำสมาธิปฏิบัติกันเป็นปกติเพื่อเพื่อให้จิตมระมีอารมณ์ชินชินในด้านของความดีคือการนึกถึงพระเจากก้าก็ดีนึกถึงพระธรรมก็ดีนึกถึงพระสงฆ์ก็ดีเป็นความดีของจิต ท, ทุกคนมีบาปเพราะอรหันต์ทุกองค์ที่นิพพานไปได้ทั้งหมดบาปยังเหลือทั้งเย้แยะยังไม่มีรอรหันต์องค์ไหนหมดบาปถ้าท่านนิพพานได้ ตอนนี้ถ้าพวกเราปฏิบัติภาวนาจนชินถ้าได้เวลาต้องภาวนาพยายามว่ามันภาวนาขึ้นมาเองจนชินคําว่าชินนี่คือฌานฌานก็คือชินอารมณ์ชินเรียกว่าฌานนี่การทรงตัวถ้าเราทําอย่างนี้แล้วถ้าบังเ อ, อิญนะบางท่านบางท่านอาจจะคิดว่ามีปัญญามากขึ้นมีบารมีเป็นบารมัธรบารมี คิดมีความเคยมีความรู้สึกบางครั้งบางวันเพราะโลกนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์เราเด็กตื่นขึ้นมาเช้าแล้วก็พบแต่ความทุกข์จนกว่าจะหลับหลับแล้ววันที่ยังทุกข์ต่ออีกเพราฝันไม่ดีใช่ไหมตัวภาวะจิตคิดว่าถ้าตายคราวนี้ก็ไม่อยากจะอยู่ต่อไปไม่อยากจะเกิดต่อไปไม่อยากเป็นเทวดาไม่อยากเป็นพระองค์อยากจะไปนิพพานถ้าบางครั้งคิดนะบาเอาแค่บางครั้ง คิดบ้างบ้างไม่คิดบ้างแต่ว่าภาวนาเป็นปกติคำว่าภาวนาก็ดีบ้างไม่ดีบ้างบางวันแล้วก็ตำหนึตัวแล้วว่าภาวนาจิตใจไม่ดีไม่สงบบางวันแล้วก็เนรยง่าสงบอันนี้ไม่สําคัญแต่การการทาอย่างนี้มาเป็นอารมณ์ชิงถ้าญาติโยมพุทธบริษัทถ้าเคยตายมาก่อนแล้วก็อาจจะรู้สึกรู้เรื่องตอนนี้ทุกคนเนี่ยเคยใครเคยลองตายบ้างไหมฉันลองตายมาหลายครั้งใช่ไหม ไม่ได้ลองตายแต่มันตายเองแล้วเขาไหลกลับให้การคําบำเพภาวนาว่าพุโทโธเนี่ยแม่อสอนมาตั้งแต่เด็กใช้สาวกแม่แล้วกันันทะโยมาใช้นคนเดียวนอกร้านทีแม่หมดอันนี้เราคนเดียวก็เป็นงกาในผงหงที่ไม่นะแม่อสอนให้ภาวนาว่าพุโทโธตั้งแต่เด็กก่อนจะหลับให้ว่าพุโทโธดังๆให้ท่านได้ยินสามคำวพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธท่านนี้ก็พอแล้ว แล้วก่อนจะนอนต้องกราบพระก่อนแเรวก็กราบทรงเด็กอย่างเด็กใช่ไหมแล้วนะว่าพุทโธทรงเด็กอย่างเด็กแล้วต่อมาเมื่องเข้ามาหน่อยมันกลัวผีแม่เดี๋ยวว่าถ้าภาวนาว่าพุโทโธนี่ผีไม่หลอกผีไม่กลัวพุโทโธที่ตัว น, นี้ขยันหน่อยถ้าผู้ใหญ่อยู่ด้วยไม่ภาวนาถ้าผู้ใหญ่ใช้เข้าห้องเลยนะกลางวันนะเข้าห้องเข้าได้ขาออกต้อนขาถอยหลังออกกลัวผีจับหลัง ในขนาดนี้เราต้องภาวนาปกตินี่เล่าประวัติให้ฟังแล้วข้าพนี้มันเรื่องนี้นราคาแพงเก็ต้องภาวนาพระพุธทธในการต่อมาไม่ช้าไม่นานนักอายุประมาณ1ิบสองปีเข้าไปเอฮิวาเตกรอกันท่าท้องมันถ่ายสามครั้งลุกไม่ขึ้นหมดแรงแม่ก็บอกว่าให้ภาวนาพุโทโธไว้ พุทธจะช่วยใรูปหายจากโรคถ้าพระพุทธรูปมาตั้งให้ดูนะให้เห็นพระพุทธรูปอย่าตั้งหัวนอนตั้งข้างๆให้มองเห็ น, น, น, นถนัดถนัดก็เราเอาจากตาจับพระพุทธรูปทำแบบว่าถ้าภาวนาพุทโธประเดี๋ยวพระจะช่วยหายจากโรคเราก็เชื่อทันนะก็ภาวนาไปภาวนาไปไประเดี๋ยวเดียวพระก็กลายเป็นพระใหญ่ไอ้เป็นพุทธรูปหรอกเป็นพพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ใหญ่ขนาดตากประมาณทั้งสงี่ซอกปรเดี๋ยวก็กลายเป็นพระค น, นไม่ใช่พระเนื้อแล้วนะสวยมากมีฉับพลังสีสเห็นท่านยิ้มประเดียเ๋ยวเดียวให้ความรู้สึกว่าตัวเองไปยืนอยู่ข้างนอกไอมองดูตัวเก่าแล้วคนทุกคนในขณะนั้นเขามองดูตัวเก่าตัวเก่าไม่ให้ใจแล้ ว, วใช่ไหมคราวนี้เราครเราก็ ไปถามคนนั้นถามคนี้เรียกใครเรียกใครก็ตามไม่มีใครก็สนใจตามโมติแม่ทันดุถ้าอยู่ข้างล่างอย่าขึ้นข้างบนต้องขอนายก่อนถ้าอยู่บนบ้านอย่าล ง, างล่างต้องของญายก่อนไม่งั้นถูกตีใช่ไหมวันนั้นวัไปถามใครก็ไม่ใครก็พูดไปขอนายท่านโดยใจออกปดีหลังบ้านก็ไม่เป็รก็ไม่มีใครก็พูดด้วยแต่อีกรูปร่างหน้าตาเนีย่ยมันไม่เหมือนเดิมมองดูตัวเนื้อสีเป็นทองคํา เพรื่อประดับแพรว่าหมดแต่ความจริงมันเป็นแก้วนะเจ้าเอเครื่องประดับมันเป็นทองคำใช่ไหมไอแสงทองคําออกกระทับเป็นสีทองคํามันเบาทุกอย่างก็เลยไปยืนหลังบ้านเห็นคนประมาณตั้งสองรอคนเดินผ่านมาเดินใกล้เขึ้นมาได้มีคนสี่คนมีคนสี่คนนําคุมมานี่มันจะหมดเวลาได้เนะี่ยข้ามันจะเรื่องแล้วเอาไว้พวกนี้ที่ป่าม ก็ไปถามคนข้างหน้าท่านถามว่าลุงจะไปไหนครับตัวเขาใหญ่มากนะคนทีเดินตามไม่เท่าคนธรรมดาหัวแค่เอวอะถ้าเปิดบัญชีแบบไอ้หนูเองไม่มีแต่บัญชีไปไม่ได้แยังคึกว่าตอนนี้น่าขูดยาบ้าเราถามว่าไปไหนเสือกบอกไม่มีในบัญชีพคอคนกลางเจอคนตางอีกก็ก็บอกแบบนั้นอีกมีตาคนหลังดึงเข้าบานพอดึงเข้ามาหน่อยก็แค่ปล่อยมือแล้วก็ยึด เราคิดในใจว่าเขาไปไหนเราต้องไปเราต้องรู้ไม่ตามไปทางอ่างพอไปถึงภูเขาพรมันขึ้นเขาลงเขาขึ้นเล็กเขาเล็กเขาใหญ่นะเขาเ า, าป่าลอกแล้วต่อมาเขายาวเหยียดขึ้นไปยอดเขาแล้วเขายืนข้างบนคนได้นเกลางมาชี้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าครบสองร้อเสรเขาบอกครบเราโผล่หัวพอดีใบหนูมาทําไมบอกผมถามลงแล้วว่าลงไปไหนลงไม่ตอบผมนี่ ถามว่าเองต้องกานมาทําไมพัญาจะรู้ลุงไปไหนผมต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้คนอย่างผมก็เลยชี้ดูโน่นดูที่มีคนยืนเป็นกลุ่มๆกลุ่มแล้วเป็นร้อยคนนะแต่และกลุ่มนี่มีตัวใหญ่ๆใหญ่มากสูถึงเงาบางถิอหอกบานคุมคุมละคนเพราะว่านั่นเป็นแดงของปัญยายมถ้าชี้ไปดังทิศตะ ว, วันออกแสงไกลมากกันที่อยู่พัญญายมกับนรกในไกลกันมากเพราะนั่นนรก เขาได้เคยทําความชั่วมาก่อนเขาลงถูกลงโทษมาแล้วเขาปล่อยมากับประทำความชั่วใหม่แล้วกับปถูกลงโทษใหม่ก็เปรา น, นั้นว่าวันนี้เขาต้องหยุดแค่นี้หมดหมดเวลาแตเดี๋ยวเทพอาจินบอกว่ามันจะเลยเวลาไปแล้วนี่ครับก็เป็านั้นว่าท่านเลขาสัมบอกว่ามับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะถ้าเองต้องการรู้อะไรมาที่นี่ ให้นึกถึงลุงลุงจะให้รู้ทุกอย่างาก็เป็นความจริงตาม น, นั้ น, นมี่มทำไมใช้ไหมพุทโธเล็กๆเหรอต่อมาก็อยากจะรู้ไปทุกวันไปวันแรกปับ๊บไปถึงปับ๊บถามลุงกถึงลุงลงมาทันทีแท่นแต่งตัวมันคงพรมถาทคุณอยากดูนรกคุมที่หนึ่งครับถ้าก็นรกคุมหนึ่งนั้นมาอยู่ข้างหน้าเราเห็นชัดทุกอย่างอยากดูอะไรก็เห็นหมด ไม่ว่าท่านบรรดาเนีเห็นนะแต่ว่าไม่มันยากหปไปแต่ความจริงว่าว่าตอนหลังที่พุทมาพุทธพุทธบาลนะบอกแต่ความจริงเรามีกำลังใจเขึ้นแผงก็าสามารถไปได้แต่เวลานั้นไม่ได้มีครูเลแม่อสอนคำว่าพุทโธเฉยๆใช่ไหมตรงความว่ารู้จักมรรคสวรรค์มาตั้งแต่อายุสิบสองแต่จะรู้ได้ต้องไปวกเขายอดนั้นถามว่าไปได้ยังไงต้องเข้าฌานไหมไอ้เข้าฌานหรืไม่ฌานหรืไม่รู้เรื่องนึ ก, กว่าจะไปมาถึงเลย ใี่จะไปเนี่ยพุทโธนะก็รบความว่าต่อนี้ไปเขาก็ได้ญาติโยมพูทบริษัททั้งหลายตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นอารมณ์นะถ้าจะย่าภาวนาว่าพุทโธธทำโมสังโฆอะไรตางไม่สําคัญคำภาวนานี่ไม่จํากัดกันแต่ว่าก่อนที่ภาวนาให้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนถ้านึกถึงพระเจ้าก่อนเวลาจะตายบาปทั้งหมดจะเข้าถึงเราไม่ได้บนจะเข้ามาก่อนด้วยวารมีอพระเจ้า เพียงเท่านี้อย่างน้อยบรรดาเทพุทธบริศั์ก็ถ้าตายในเวลานั้นอย่างน้อยก็ไปสวรรค์ชั้นดาดวเดืงสุด็นโลกถ้าคนที่นึกถึงนี้ผ่านไปก่อนเท่าเวลายามป่วยถ้านึกถึงพุะโธไว้ตามเดิมที่ไปจะไปผ่านจิตมันจะเฉยต่ออารมณ์ต่างๆอันนี้จะขอเล่าในวันพวกนี้ดีกว่ามะตายมาปีสงฆ์นรยะตอนนี้ไปบรรดาเทพุทธบริศัทหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทากนกรรมฐานว่าแล้วว่ามันจะไม่จบ เรื่องคุตุราก็ยังไม่จบเลยก <c oughs> <c oughs> ็ออยังดียังมีเรื่องเล่าสูก่กันฟังนะ